อระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ตานี้ไม่ต้องลืนหลับเสียเพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอกเมื่อหลับตาภายนอกตาในตาใจท่านเรียกว่าตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายใน มานึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุทธโธภายในจิตถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานี้ที่จะรู้ได้เข้าใจนั้น <c oughs> ต้องเป็นธรรมะปฏิบัติ ในสมัยครังพุท ธ, ธากาลมีพระภิกษุองค์หนึ่งตั้งแต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา้าจนจำได้หมดแปดหมื่นสี่พันระธรรมคัน และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จนักผลเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจดจำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่เข้าใจในธรรมปฏิบัติ คำว่าธรรมปฏิบัติเมื่อท่านจะโล่นั้นไปหาสามมันเลนน้อยแต่เป็นพระอหรหันต์ท่านแสดงนิมิตหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเฮี้ยมีตะกตูดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้น เมโลเข้าออกอยูหกโลแล้วให้ปิดห้าโลปิดให้แน่นยาให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจ่ขุดเข้าไปจอก็จะได้เหี้ยได้ตะกวดนั้น เมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆผลที่สุดจิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม่เราทุกคนทุกโลกทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กน ม, มแก่ขรือหัดบันผัสิต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 ออกมาทางเล่นหลงในรสอาหารออกมาทางกายหลงไหลในโผธิภพเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอาญตนะาทาั้งหลายไม่ปิดไห้ไม่สังวรระวังในอินรีทั้งหก ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกเ้นกายลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสไม่สังวรระวังในอินทรีทั้งหลายไม่ปิดไม่กัน้นท่านให้ปิดกั้นหมด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 มีเล่นก็ไม่ติดในรถอาหารมีกายก็ไม่หลงไหลในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมีสติคอยระวังจิตใจอยู่ภายในขุดคอนเข้าไปที่จิตที่ใจที่ภาวนาพุทธโธอยู่ในดวงใจนี่เอง เมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายพุทธสาวกในสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจขุดค้นเข้าไปภายในเรียกว่าทรทมปฏิบัติปฏิบัติธรรมะคือเอากายวาจาจิตเอาตัวของเราปฏิบัติลงไปทีเดียว จะไปจำแต่ว่าธรรมะธรรมโมอย่างนั้นอย่างนี้พระสูตรพระวีนันพระประมัติมากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมัน่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สลดสังเวชจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวชื่อว่าอยู่ในขั้นปริยัติธรรมคำสอนคำบอก หรือสมมุติเนยมในโลกอันนี้เองคำว่าปฏิบัติคือว่าตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฝังธรรมก็ให้ทาใจของเราด้วยจำเอาดวงใจของเรามันอยู่ที่ไหนใจมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่ใจ จิตใจคนเหล่านี้เป็นธาตุนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานหมายถึงจิตใจจริงๆแต่จิตใจดวงผู้ลู่อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันพารูปร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปลาสายตาดูหูฟั ง, ลงหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย เพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทำอ่อยปลละเลย <c oughs> ขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิความตั้งมั่น <c oughs> ขาดปัญญาความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้ว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 ตัวคือร่างกายของเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่อันนี้เป็นเพียงว่าเป็นที่โยอาศัยของจิตในชั่วระยะที่ยังไม่แตกไม่ตายมาอาศัยครองล่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่เมื่อมาอาศัยแล้วส่วนมาก ก็เรียกว่าอาศัยอยู่เพื่อกิเลสในใจกิเลสทางตาได้แก่จิตหลงไหลในรูป ก, กิเลสทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิน่นหลงไหลในรสอาหารการกิน หลงไหลในโพธิภะหลงไหลในธรรมาลมเมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรเท่าไหรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่โยในกายในจิตเล้ว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนประพุติเจ้าพุทธธรรมคำสอนของประพทธิเจ้านั้น คำว่าพระไตรปิฎกกายคือตัวเรานี่แหละเป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจาคือสิ่งที่พูดที่เป่งออกมาเป็นพระธรรมคำสอนประพุตธธิเจ้าอยู่ที่นี่ พระโสพระวินัยพระปรมัตดก็ดวงจิตดวงใจนี่แหละตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิดว่านี่คือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกตู้พระไกลขอพระไกรหอพระธรรมเมื่อได้กายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้พระธรรมแต่เป็นพระธรรม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 แต่ไม่รู้พระธรรมนางเฝ้าตู้พระไกลอยู่แต่ไม่รู้พระกายปีดกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินัยสัพทุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจยิเลดมันก็พาไป กิเลสมันภานั่งกิเลสมันภานอนกิเลสมันภากินกิเลสมันภานวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกพพทุกชาติคือไม่สังวรระวางไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตปล่อยให้กายวาจาจิตนี่ หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโภตาพระธรรมารมเมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาผินิสพติจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเลาลูปเขาลูปคนลูปสัตว์ลูปวัตถุเข้าของลูปต้นไม้ภูเขา ข้องฟ้าอากาศโลกอะไรก็ตามเมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแล้วต้องกำหนดพิจารณาอย่าให้มันหลงไหลไปอย่างเดียวโลกทั้งหลายแหลส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่รูปดีรูปดีที่จิตมันเห็นว่าดีนะ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 มีแต่ความสะอาดแต่เราหาลู่ไม่ว่าทำไมจึงอาบน้ำชำระกายเมื่อนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายปกปิดร่างกายแล้วเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแสดงสิ่งปฏิกูลให้ปรากฏการนั่นมาจากไหน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 อะไรเราจะเกิดขึ้นีนยังไม่ตายมันก็เกมตายยังไม่เน่าไม่เปืยมันก็เกมเน่าเกมเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขาร น, นี้พระพุทธเจา้าพระองค์จึงเตือนไว้ว่าโลคประขันต์นี้ก็คือว่าก้อนอสุพะคําว่าอสุพะก็คือว่าสิ่งไม่สวยไม่งาม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 ถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยผู้โพโลโหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกำหดดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังเวชในโลระขันอันนี้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 จิตมืดจิตมืดจิตบอดเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดหรือสัตว์ตาบอดก็ตามอะไรที่ตามันบอดแล้วไปไหนมาไหนย่อมมีภัยอันตรายมากถ้าเดินไม่ระวัดระวังตกหลุมตกบอดตกเหวตกน้ำบอด เอาถึงตายได้นั่นคือว่าจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านตักเตือนให้เราทุกลมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสูลจักผิดถูกชั่วดีดีชั่ว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 แม่ว่ามีคนตาดีจูงคนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม้ก็ย่อมไปได้อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกดวงใจแม้จะมืดมาแล้วตั้งแต่อนเอกนกชาตินับพบนับชาติไม่ท้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ ก็ให้เชื่อต่อพระธรรมวินัยสัตธรสศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นคนดื้อด้านยากคายทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลกหลงของตนแล้ววันเลิกละกิเลสต่างๆออกไป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 พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตือนว่าให้ภาวานาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยาได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาเจตใจเราผู้ภาวานาผู้ตั้งใจไม่ประมาทเดวาต้องทำไม่ใช่เพียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่านั้น ยังไม่สมบูรณ์แบบคือต้องลงมือทําคําว่าลงมือทํำก็คือเอาตัวทําเอากายวาจาจรริตทำนั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจรริตนั่งใจภาวนาร่างกายก็นั่งอยู่ในท่าสงบอยู่ในท่าความตั้งใจ ตั้งในใจตั้งในกายตั้งทุกอย่างไม่ยอมให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาเยียบย่ำได้กิเลสความโลภ ก, กิเลสลาขะตัณหาก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาย่ำายวะใหญ่ได้ ใจะระลึกภาวนาอยู่มองเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัตตะสงสารอยู่การที่คนเราเกิดมามีตัวตนรูปนามกายใจอยู่อย่างทุกวันนี้ธรรมดาลูกประขันมีภัยอันตรายรอบด้าน มีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในรู ป, ปรขันธ์นี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนึ่งนอนใจจงมองเห็นชลาความแก่ มองให้เห็นพยาติความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลเนกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาคืบพานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของประพุทธิเจ้าท่านตื่นไว้ว่า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 นั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดภัยพิบัติตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยุทยานพาหนะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีศัตราอาวุธประหัตประหารกัน เดี่ยงมีภัยอันตรายเร็วาตายได้ทุกลมหายใจเลนั้นยาประมาทจงพากันเล่งรีบรีบเร่งคำว่าเร่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกประมาทไม่ได้ใครประมาทผู้นั้นชื่อว่าตาย ตายหมดลมนั่นตายอย่างศิลนห้าสินแปดสินสิบสองรอยยี่สิบเจ็ดไม่รักษาไม่ภาวนาไว้คือว่าประมาตประมาตเลินเลอ่อเถือเลอลอยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปหมดไปตามวันคืนเดือนปี ผนที่สุดชีวิตก็จบลงไปด้วยมรณะภัยคือความตายมันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้เนื้อคนมันกินไม่ได้ทำตาลากินก็ไม่ได้ย่างไว้เหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันลังเกียดนี่แหละให้เราคิดอันพิจารณาภาวนาดูให้ดี เรียกว่าทมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จำจำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามะละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมะละกิเลสความโลภ ก, ก็ไม่ออกจากใจจกตายเอามาละความหลงในใจก็ไม่ได้เลือก อันนี้คือว่าไม่ใช่ธรรมปฏิบัติมันเป็นความจดจำไว้เท่านั้นธรรมะปฏิบัติคือเอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขพินิิจรนารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้ไปยอมมันเลย นั่งก็ภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เทีย่ยงในหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์ในหลักอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมจึงมายึดมาเถอว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูตัวเราของเราเป็นของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือ มันบอกได้ว่าฟังคนมันก็ไม่แก่เป็นอยู่ในวัยไหนที่ตัวเองชอบก็ให้อยู่ในวัยนั้นตลอดไปอันนี้มันเป็นไปไม่ได้บอกลั่งสั่งสอนบอกได้แต่ว่าแก่ฉลามันบอกไม่ฟัง บอกไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีพยาติโลคาบอกได้แต่มันไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโลกอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถึงเวลาบทมันจะแตกจะตายจะมีโลกไม่มีโลกอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีเกิดแล้วมันต้องมีตายเป็นคู่กันอย่างนี้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 แต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็มายึดมาถือปิดบังไว้ปิดไว้บังไว้ห่อไว้หุ้มไว้ไม่พินิตพิจารณาให้มันแจ้งใจจิตมันก็มาล่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปในนั้นท่านจะให้เนิกโยเสมอ เมื่อเห็นสัตว์อื่นตายก็ให้น้อมเข้ามาให้เอามาเตือนใจของเราว่าเมื่อตัวเราตายมันก็เหมือนนะั่นเหมือนสัตว์ตายเหมือนคนโน้นตายคนนี่ตายไม่ว่าคฤรือหัดและบรนพชิตเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นตายก็เอามาเตือนใจเตือนจิตนี้ไม่ให้นิ่งนอนใจ เมื่อถึงเวลาเราตายเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติในขณะที่ยังอยู่ดีสบายอยู่ตายแล้วมันจะทันหรือตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ไม่เห็นหรือไม่ว่าใครในโลกนี้ตายแล้วมันก็ทิ้งร่างกายไว้ที่นั้น เอาไปเผาผีจีกระดูกด้วยตนเองได้ที่ไหนตายก็ทิ้งไว้ที่นั่นเองมนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เอาไปผังไปเผาตามหน้าที่เราจะมาอวดดิโปวดดีว่าเราดีดีที่ไหนตายแล้วมันเน่าตายแล้วมันเป่วยตายแล้วมันเหลือแต่กระดูกรอดเผาไฟก็ไม่หมด ฝังดินก็จมเป็นดินตายในน้ำก็จมลงไปในน้ำมันดีอย่างไรกำหนดพิจรณาภาวนาให้มันเห็นแจ้งในจิตอย่ามามัวทาสม ส, ม, สมง่วงเหาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญหัวเลาะร่องให้ไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดสติสมาธิปัญญา ตัวแกไม่รู้สึกตัวตัวเจ็บไข้ได้ประญาติไม่รู้สึกตัวโลคประขันมันรอวันแตกวันทำลายอยู่ไม่รู้สึกตัวทีนี้เมื่อถึงข่าวมันแตกมันทำลายเอาละวุ่นวายลองให้น้ำตาไหลลองหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายไปหมด ภาวนาพุธทธอยู่ในใจไม่ได้วิ่งไปโรงพยาบาลเข้าใจว่าโรงพยาบาลมันจะแก้ได้ทุกหลายบางคนไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงมันก็ตายเสียก่อนกินยุกิกนยาเข้าใจว่ามันจะหายแทนที่จะได้กลับมาวัดมาบ้านตัวเองลวดไปป่าช้าไปเลยนั่นเพราะอะไร เพราะร่างกายสังขารรู ป, ปรขันธ์อันนี้มันมีชลาพยาธิมรณะครอบงันงำอยู่ตลอดกาลเราอยากเข้าใจว่ามันจะแก้ได้แล้วอยาไปเข้าใจว่ามันหายกินยุกกินยาหรือไม่กินก็ตามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไหมสบายดี ถ้ามันสบายดีคนนั้นมันไม่ตายหรือต่อไปมันก็ตายได้คำว่าสบายมันเพียงแต่เป็นภาษาสมมติเท่านั้นมันระ ง, งับลงไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนกินยาระ ง, งับความเจ็บปวดมันก็ลั ง, งับไปนดิดๆหน่อยๆเท่านั้น อีกไม่นานมันก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกผลที่สุดมันเอาตายว่าเรายังจะมานิ่งนอนใจว่าเราสบายว่าเรายังเด็กยังหนุ่มไม่เป็นไรมีอะไรเป็นเครื่องอา้อางได้จริงไหมไม่มีใครจะมากั้นกลางได้ เกิดที่ไหนต้องมีตายที่นั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดก็าตามเป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้เป็นหญิงเป็นชายตายได้ครือหัดและนักบวชตายได้เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่ากันสิ่งเหล่านี้กั้นไม่ได้เยียวยาพยาบาลบรรเทาไปเท่านั้นเอง แก่ลำคาญไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือท้าวพยามมหากษัตร์ก็ตายพระภิกษุสงสามมนเฑนผ้าขาวนางชีลือชีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็ต้องตายภายในร้อยปีหรือเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรือ มัวหลับมัวนอนไม่ภาวนาละกิเลสนอนไปถึงไหนนอนในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนจึงคลอดออกมายังมาหลงหลับหลงนอนต่อไปไม่ภาวนาพุโทโธในใจไม่ได้ที่พึ่งในใจยังไม่มีในใจนี้มันยังมีแต่กิเลสโลเล ตาเห็นโลกก็เลเลในโลกหูฟังเสียงก็โลเลในเสียงจะูมกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสก็โลเลกันทั้งนั้นยังไม่มีอะไรข้ามพ้นเป็นอย่างยงไปเลยทำอะไรก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสความโกรธ โทษทาอะไรก็ตกอยู่ในกิเลสลาคะตันหาคิดอ่านอะไรก็ตกอยู่ในอวิชชาตันหาเจ็ดไม่รู้เจ็ดไม่รู้เจ็ดหลงเจิดหลงเจิดเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้น เสียงฝ้าร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดวงพระทิตย์พระจันท์มีอยู่ในโลกก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาบอดคนไม่ภาวนาไม่ละกิเลสชื่อว่าตาใจมันบอดพุดโทโธธรรมโมสังโฆในใจนึกไม่ได้จเจริญไม่ได้ แต่ใจิตใจที่ดุดาว่าลายป้ายสีให้แกบุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ดานะ่าได้ฆ่าถัตตัดชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้นี่แหละคือว่าคนใจบอบคนใจมืดคนใจดำใจไม่ภาวนาใจไม่ละความโกรธ ใจไม่ละความลโลภโลภตัณหารอบไปถึงไหนรอบไปถึงวันตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่รอบไปอีกนี่แหละมันจะมาโลเลโยทำไม้ลกขึ้นตื่นขึ้นลลกขึ้นภาวนา สร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจในกายวาจาจิตของเราจงเห็นตู้พระธรรมกราบไหว้ตู้พระธรรมเอาตู้พระธรรมไหว้พะเอาตู้พระธรรมสูตรมนเอาตู้พระธรรมภาวนานะรักษาตู้พระธรรมคำสอนให้ยืนยาวขาวไกล ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยสร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในดวงใจในการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอให้จิตใจมัน โลชลาดสามารถคอนเราเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจิตใจมั่นคงหนักแน่ในธรรมปฏิบัตินั่นทำดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้คิดภาวนาได้ตลอดเวลาเพราะศรัทธาความเชื่อ ศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเต็มดวงจิตดวงใจของตนอยู่แล้วนั่นแหละสาวกโกสาวกพระพุทธเจ้ามียที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคน การฟังนี้เป็นเพียงนโยบายไม่ต้องจดจาให้ทําให้ภาวนาในจิตในใจของตนใหมันเต็มที่เอาให้มันเต็มที่ เ, เต็มฐานความรู้ความฉลาดความสามารถอาถารมันเกิดขึ้นในจิตในใจนะั้นไม่ต้องไปหาความรู้ที่ไหน เกจใจอยู่ที่ไหนความรู้ความเข้าใจมันมีอยู่ทุกดวงใจทุกตัวสัตว์ตัวคนอันนี้เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วแม้จะได้น้อยมากประการใดก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติ เอามาชำระกิเลสความโกรธของเราไม่ให้มีกิเลสความโลภในใจไม่ให้มีกิเลสความหลงความลืมในใจไม่ให้มีเมื่อเรารู้จักเอามาสั่งสอนใจของตนอย่างนี้จิตใจทุกคนก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบาย เรามีความมุ่งมากราถนาอันใดไว้ในจิตในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งมากราถนาะนั้นฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกาหนดจดจำนําไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ เอวังก็มีด้วยประกาชนีสัพพีติโยวิวัฒนตุสัพพโลโกหินาศตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอะพีวาธนาสีริชนิจังุทภาปัจายิโน ยัตตารโอธรรมาวะัมติอายุวันโนสุขังสาหลา